นาโบตัตสัภะวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโบตัตสัภะวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโบตัตสภวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะับานี้ ก็จะได้พูดถึงเรื่องการใช้สติในชีวิตประจำวันสติในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีและก็ต้องใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้ไปตามสัญชาตญาณไปตามอารมณ์ตามสิ่งที่กระทบแต่ว่าการฝึกสติการที่เราจะเริญนสติ เราก็จะต้องเปิดโอกาสให้เราได้ใช้สติเหมือนเราทำงานอ่ะทำงานเราก็ได้เงินมาใช่ไหมเออทำงานเราก็ได้เงินได้เงินมันก็เก็บใส่ติ๊เก้อย่างเดียวอ่ะได้เวลาไปมันก็ไม่รู้จักใช้มันก็ไม่ได้ของดีมากินไม่ได้ของดีมาใช้ไม่ได้ของไม่ได้ของที่เป็นประโยชน์กับชีวิตมาใช้เราทำงานเก็บเงินได้เงินมาทำไมเอาไว้ใช้แล้วก็ได้มาแล้วไม่ใช้ทาไง เออมันก็ไม่ถูกใช่ไหมการจ่เริญสติหรือการฝึกสติก็เหมือนกันไอ้เดิมทีเราไม่มีเงินเราก็ไม่ได้ใช้การฝึกสติเดิมทีเราไม่มีสติเราก็ไม่ได้ใช้เราใช้อารมณ์ใช้ตามอัตยาศัยทํำแต่ใช้ตามจริตใช่ไหมบางคนก็ขี้โกรธบางคนก็ขี้โบโหบางคนก็ขี้เกียจบางคนก็ขี้คร้านบางคนก็ขี้ง่วงเหงาเงนอนบางคนก็ไม่ได้ทานไม่เอาไหนไม่เอาเรื่อง ไม่สำคัญอะไรอย่างนี้เ็าเรียกเรียกว่ า, าไม่มีสติเราถ้าทำไมเรามาฝึกอ่ะเหมือนเราไม่มีเงินน่ะทำไมเราต้องทำงานเพื่อมีเงินไปใช้ก็เหมือนกันมันเราไม่มีสติสติเรามีแตไม่พอเหมือนเงินมีแต่ไม่พอใช้มีสตังสองสตังสามสตังมันจะได้อะไรเดี๋ยวนี้แค่บาทนึงก็ยังไม่รู้จะชื่ออะไรแล้ว มีแค่ท้องสามตาต่างมันใช้อะไรได้ซื้อยอดไหวได้หรือยอดไม่ <c oughs> ไม่ได้อะใช้อะไรไม่ได้อะเราจึงต้องฝึกฝึกสติเพื่อให้มันพัฒนาขึ้นมาแล้วมีสตินําไปใช้ไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมแล้วไปนั่งคุยอวดโอ้กันว่าโอ้ยฉันนั่งได้นานเท่านั้นฉันเดินได้นานเท่านี้ฉันได้เห็นอย่างนั้นฉันได้เห็นอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่นะ มันไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือว่าในชีวิตปัจจุบันเนี่ยในขณะวินาทีที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเราใช้สติหรือใช้อารมณ์วัดกันตรงนี้ถ้าเราใช้อารมณ์มากกว่าสติแสดงว่าการปฏิบัติของเรามันยังไม่เข้าหนาเออมันยังไม่เข้าหนาสติที่เขาถูกพัฒนาขึ้นมาจเจริญขึ้นมาเนี่ยมันจะริรอน ความหยาบของใจที่เป็นอารมณ์ทั้งหลายแหละเช่นความอยากที่หยาบหยาบความโกรธที่หยาบหยาบความเล่อบลุ่มหลงเลิ่เพลินที่หยาบหยาบเอาความโลภที่หยาบหยาบคืออะไรอา้าวเบิ้นตอบดิคืออะไรโอตกใจเห็นไหมรู้ไหมใครรู้บ้างรู้ไหมความโลภที่หยาบหยาบคืออะไร ฮะเอออยากรู้เร่องหนึ่เออตอบว่าความอยากนี่ถูกหมดอ่ะแต่ความโลภที่หยาบหยาบหมายความว่าความอยากที่มันจะไปทําให้เกิดการผิดและทุจริตอ่ะความอยากอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอื็นไหมจำให้มันแม่นแม่นมัน้งเขาเรียกอภิชาอภิชาก็อยากโลภ ก, ก็อยาก แต่อยากโดยปกติถ้าเขามีอํานาจในใจของเรานะมันก็จะปรับพัฒนาให้เราไปทําตามอํานาจของความอยากโดยไม่นึกถึงศีลและทำไม่นึกถึงกฎหมายไม่นึกถึงกฎระเบียบมันทําไปตามอํานาจของแวมยามอยากนะั้นนะมันเลยเป็นอันตรายต่อศีลเป็นอันตรายต่อคุณงามความดีเป็นอันตรายต่อทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ น, นี่คือถ้าเราไม่มีสติเพราะชีวิตในปัจจุบันในขณะในขณะหนึ่งๆเนี่ยในขณะที่เรารู้สึกตัวว่าเราเป็นชีวิตอยู่เนี่ย มันมีความสําคัญมากนะเพราะมันมีโอกาสที่เป็นอกุศลตรงนี้ใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นอกุศลก็ตรงนี้ใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะเป็นสวรรค์ก็ตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็นนรกก็ตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็นนิพพานก็ตรงนี้ตรงนี้เวลาเดียวไม่ใช่เวลาอื่นเพราะองการปฏิบัติธรรมนอกแกนอกแก้วว่าเราพัฒนาสติแล้วเราต้องใช้สติด้วย บางทีสติที่เรามีอยู่เนี่ยมันมันไม่คือมันออกมาไม่ทันให้เราใช้ทั้งๆที่เขามีพอใช้นะเหมือนเงินที่เรามีอยู่อะเงินที่เรามีอยู่มันมีพอใช้นะแต่เราเอามาใช้ไม่ได้เพราะเราเราไม่สามารถเอาเงินที่เรามีอยู่เนี่ยมาทันใช้กับสิ่งที่จะต้องใช้เหมือนกันเหมือนกับสติที่เรามีอยู่มันออกมาไม่ทันใช้กับสิ่งที่เราจะต้องใช้ เพราะฉะนั้นเราจริงต้องฝึกการใช้สติด้วยอืฝึกการเจริญเจริญสติด้วยการรู้ลมหายใจด้วยการเดินรู้ด้วยการรู้ตัวด้วยการรู้ลมหายใจฝึกฝึกฝึกฝึกพอมีสติแล้วต้องฝึกใช้ด้วยการฝึกใช้สติเนี่ยมันจะมีตัวที่สําคัญคือตัวศรัทธาตัววิริยะ ตัวศรัทธาคือต้องมีความเชื่อต้องมีความเชื่อในพระรัตนาใยมีความเชื่อในเรื่องของความดีมีความเชื่อในเรื่องของกรรมมีความเชื่อของความเป็นจริงให้มันเด็ดขาดเพราะมันเชื่ออย่างนั้นแล้วก็นั่นแหละจะเป็นที่มาสำหรับที่จะให้เราใช้สติที่เรามีอย่างอย่างตรงไปตรงมาและเข้มแข็งเหมือนอย่างเราเกิดควารมรู้สึกโกรธโกรธ ด, ดีไหม ไม่ดีรู้ยังไม่ดีเชื่อไหมเ ช, ชื่อขนาดไหนไอ้นนเชื่อขนาดไหนเชื่อมากถึงขนาดที่จะหยุดตามอำนาจของความโกรธได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมได้นิดเออเอเนี่ยเห็นไหมความเชื่อเป็นเรื่องสำคัญสำคัญมาก เรารู้แล้วนี่ความโกรธไม่ดีโอ้วโกรธในใจเราไม่ดีรู้แล้วเราเชื่อไหมว่าความโกรธไม่ดีเชื่อแล้วแต่ความเชื่อนี้มีอำนาจแค่ไหนมีอำนาจพอที่จะเราไม่ทำตามอำนาจความโกรธนี้ได้ไหมไม่ได้อันเราต้องฝึกสติไว้ฝึกสติฝึกฝึกฝกกกๆๆๆๆเห็นความโกรธเกิดขึ้นที่จิตเป็นยังไงไม่อยู่ในอำนาจของมันเชื่อแล้วว่ามันไม่ดีมันให้แต่ทุกข์อ้แต่ทษ เปิดอบายให้เราไม่เปิดประตูไม่เปิดสุขติเปิดแต่อาบายให้เราเราก็เชื่ออย่างนี้แล้วเราก็ไม่อยู่ในอานาจของเขาใช้สติดูว่าความโกรธที่เกิดขึ้นนี้มันตั้งอยู่แต่เราจะไม่อยู่ในอานาจโดยไม่ไปอย่างไอคนหนึ่งมันกําลังด่าเราอยู่เราได้ยินมีความโกรธเกิดขึ้นที่ใจแต่เราไม่ให้ใจเราไปอยู่ในอานาจของมัน ดูเฉพาะตัวความโกรธไม่ดูไอคนที่มันดา่าถ้าดูไอคนที่มันดา่าเมื่อใดนะ่าหมายความว่าปลากินเบ็ดแล้วปลากินเหยื่อแล้วเสร็จใจเราตกอยู่ในอำนาจของมันเราไม่ไปดูคนที่มันดา่าแต่ดูความโกรธที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราในขณะนั้นทีนี้เราก็ดูดูไปเรื่อยๆจนจนอะไรจนความโกรธมันดบับความโกรธคือความคิด ที่ประกอบด้วยโทสะความคิดที่มันประกอบด้วยความไม่ชอบใจมีเพื่อนมาด่าเราเราคิดดูสิเราไม่ได้ดูเพื่อนเลยเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นที่ไรเราใช่ไหมเราก็ดูแต่วความโกรธดูดูดู ด, ดูจนความโกรธมันดับลูกพอความโกรธตัวนี้ดับเพื่อนเป็นศัตรูไหมไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วนี่คือการใช้สติ <S S S mm hmm. เหมือนเรา ทำงานหงาเงินมาเก็บเปิดบัญชีไว้สีเล่มมัง่งห้าเล่มมั่งบัญชีนี้ชื่อออมทรับบัญชีนีเป็นนั่นบัญชีนี้ทํำนี่บัญชีนี้่ขาดน้ำขาดควายบัญชีโน่นสกุปลงว่ามันพลิกไปหมดแล้วพอถึงเวลาที่เราต้องจ่ายตอนเนี้ยไม่รู้จะเอาอะไรมาจ่ายทั้งๆที่มีอยู่ใช้ไม่ได้ h e ้นไม่ถูกมันต้องใช้ได้เหมือนเราฝึกสติเราจะต้องฝึกการใช้สติด้วยต้องฝึกเขา อย่าไปรอว่าเมื่อมีสติแล้วมันจะมาเองถูกมันมาเองได้จริงด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณเลแต่มันมาช้านะเข้าใจป่ะมันมาช้านะเราจะต้องใช้ความเพียรต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนจิตมันบ่มสติสมาธิปัญญาที่มีอำนาจในจิตแล้วมันจึงจะออกมาทันในการเสวยอารมณ์ของจิตมันจึงจะออกมาใช้ทุกๆภัรษาของจิต แต่เรารออย่างนั้นไม่ได้ในการปฏิบัติของเราอ่ะนี่เรามานั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งฟังเทศสามสิบนาทีเอาคิดดูเสร็จแล้วเราลุกจากตรงนี้ไปแค่ออกไปหน้าอาคารทำเนี่ยยังไม่ทันขึ้นรถเลยหมดแล้วมันกินหมดแล้วหมดต้นทุนแล้วแล้ววันนั้นทั้งวันอยู่กับอะไรไม่รู้ขายของ ทำกับข้าวโอ้ไปเจอกับอะไรไม่รู้ทั้งแ่เร่าเยซึ่งไม่ได้ใช้เลยไอ้ไอ้ไอ้ไอ้สติตัวเนี้ยไม่ได้ถูกนำไปใช้ด้วยสติสิ่งที่ฝึกมาไม่ได้ถูกนำไปใช้เลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกการใช้สติด้วยทีนี้วิธีการฝึกการใช้สติในยามปกติเนี่ยอย่างที่นั่งควางอย่างเนี้ยมันปกตออิมันไม่มีใช่ไหมมันไม่มีค้าศึกมาุกลานอะไรใช่บอกแค่ มันไม่มีมารุกรานอะไรเราก็ไม่รู้จะใช้ยังไงตั้งใจฟังอย่างเดียวนั้นแบ่งช่วงเวลาของตัวเองในระหว่างวันยี่บสี่ชั่วโมงหัดแบ่งช่วงเวลายี่บสี่ชั่วโมงในระหว่างวันของเราว่าตื่นนอนปับ๊บจากการตื่นนอนนั้นมาจนถึงเวลาเท่าไหร่จนถึงตอนนั้นเราทําอะไรบ้างนี่เรียกว่าวางแผนในการใช้สติเราทําอะไรบ้าง ทุกๆ ก, การกระทํานั้นเราจะเอาสติไปรู้ในการเคลื่อนไหวนั้นทุกๆ ก, การกระทําเช่นตื่นมาเราโดตื่นปั๊บก่อนลุกจากเตียงเรานอนอยู่ก่อนเราก็เอาสติไปไว้ก่อนนี่เรื่องที่เราจะทําในวันพรุ่นี้วางแผนเข้าใจไหมวางแผนการใช้สติฝึกการใช้สติเราอยู่บนเตียงเราลุกขึ้นมาทําอะไรบ้าง ลุกจากเตียงเป็นยังไงเดินไปห้องน้ำแปลงฟันล้างหน้าอาบน้ำเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำแต่งตัวทำอาบน้ำแต่งตัวดูการเคลื่อนไหวที่มันเป็นประจำประจำประจำของตัวเองในระหว่างวันแล้วก็แบ่งเวลาวมาเป็นฉากฉากฉากฉากฉากฉากของวันหนึ่งอฉากชอนเช้าตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนมาจับพวงมาลัยในรถอ่ะ ทำอะไรมั่งดูมาป่านั้นในในสิบเปอร์ซนของภาคเช้าตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงมานั่งในรถจัสตาร์ทรถออกจากบ้านนั้นสิบเปเซนในนั้นดูสิเราทำอะไรบ้างแล้วเราก็เอาอสติไปวางไว้ในทุกทุกเจตทุกทุกการกระทำให้ได้เวลาสติมันอยู่กับการกระทำที่เรา ทำอยู่เป็นประจำเวลารัฐสีมันอยู่เราจะเสงขังเกตได้ยังไงมันไม่ปรุงแต่งอย่างอื่นะถูกปะเวลาเราจะชงกาแฟเราจับแก้วอ่าใส่กาแฟกดน้ําร้อนใส่น้ําตาลด้วยปะเอะอหลวงพ่อไม่ใช้ใช่ไหมน้ําตาลหลวงพ่อโอเคเนี้ยจับแก้วใส่กาแฟกดน้ําร้อนแล้วก็หยิบช้อนเผยครับ คนคนคนซ้ายหกครั้งคนซ้ายห้าไอ้คนขวาหกครั้งคนซ้ายห้าครั้งเป็นสิบเอ็ดว่าไปแต่มีสติคืออะไรมีสติก็คือว่ามันซื่อตรงต่อการกระทํานี้เท่านั้นนะจับแก้วมันก็ซื่อตรงต่อการจับแก้วก็มีการจับแก้วไม่มีอย่างอื่นไม่ปรุงแต่งไปสู่ความเป็นอย่างอื่นนี่คือมีสติกับการจับแก้ว ดินกาแฟก็มีสติกับกาดินกาแฟมันก็แค่ดินกาแฟเท่านั้นอ่ะอา้าวกดน้ําร้อนมันก็แค่กดน้ําร้อนเท่านั้นอ่ะแก้วไปถึงใส่ปั๊บจับจับช้อนก็มีแค่จับช้อนโยดก็ไปนี่ในทางปฏิบัติ บ, ตบางสายท่านว่นจาจับนอ้อยกนอ้อยถุงกาแฟก็ฉีกนอ เทนอกดน้ำร้อนนอจับช้อนนอช้อนใส่แก้วนอคนนอคนซ้ายนอคนฟ้านอยกนอแตะนอจิบนอคืออันนี้ เป็นวิธีการฝึกใช้สติแต่เราไม่เอาอย่างนั้นเราฝึกสติก่อนเราฝึกสติตรงๆเลยฝึกสติตรงๆเสร็จแล้วไอ้สติที่มันมีอยู่เหมือนเราทำงานมีเงินแล้วฝึกการใช้เงินเข้าใจปะ่ะอนี้เราก็ฝึกสติก่อนใช้ลมหายใจคืออาาปานสติเป็นตัวฝึกสติ ด้วยให้จิตมันรู้สึกต่อลมหายใจเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆเยๆจนตกมาเป็นผลิเอตกลงมาเป็นสติอยู่ที่จิตทีนี้นลราก็เอาไปใช้ใช้ทุกขณะทุกการเคลื่อนไหวที่มันเป็นภาคของชีวิตในแต่ละวันเอาสิบสิบแรกสิบเปอร์เซตแรกตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงจับพวงมาลัยรถสำหรับคนขับรถไปทำงานหรือตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเริ่มงาน แบ่งเป็นเป็นเนี่ยตื่นนอนจนถึงเริ่ม ง, งานเช้าในนั้นมีอะไรบ้างลองรู้ที่ว่ากิริยาตัวเองการกระทำของเรามีอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นอนอนน่ะจนถึงเริ่ม ง, งานน่ะมีอะไรบ้างดูว่าในนั้นน่ะในทุกๆ ก, กิริยาตั้งแต่ตื่นนอนก็ถ้าเราสา ม, มารถตรวจสอบรายละเอียดได้รู้สุดตัวปับ๊บลุกจากเตียงใช่ไมไอ้ดูที่รายละเอียดของมัน มีอะไรที่เราระลึกเรานึกได้อเอาไมาห้หมดเลยแล้วดูที่ในแต่ละ ก, การกระทำนั้นๆเราจะให้เขามีสติเราจะเอาสติเราไปใช้ในนั้นน่ะเอาหลังจากเริ่มมาแล้วทำอะไรบ้างในวันหนึ่งถ้าเราเป็นคนเก็บของเก่าขายอ่ะเอาเก็บขวดอะระวางแผนอย่างนี้ได้ไหมฮะได้เอา้าก็ ตื่อนอนตั้งแต่ตื่อนอนมาจนถึงเริ่ม ง, งานส่วนหนึ่งเริ่ม ง, งานเอา้าวันนี้พรุ่ง น, นี้เราจะเริ่มจากหน้าบ้านนะไปทางซ้ายเดินไปสามกิโลเพื่อหาขวด <c oughs> ทุกๆขณะที่เราเดินไปสามกิโลนั้นเราก็เดินด้วยสติว่าเจอหรือไม่เจอก็อีกเรื่องหนึ่งหลังจากนั้นเราก็เดินมาทางฝาอีกสามกิโลวางแผนไปทุก ทุกกิริยาที่เราเคลื่อนไหวเราก็เคลื่อนไหวด้วยสติเราเดินไปเดินมาจนเรารู้ว่าเออมีถังขยะ ห, หน้าบ้านนี้หนึ่งสองสา ม, สามเดินไปทางนี้สามกิโลจะเจอถังขยะสิบใบ ท, ทุกทุกถังที่เราเจอที่เราค้นที่เราหาเราจะหาด้วยสติค้นด้วยสติมันก็ถูกวางแผนใช้ได้แล้วยกตัวอย่างให้เห็น น, นี่เหมือนเราอยู่บ้านเราตื่นขึ้นมาปั๊บเราต้องทำอะไรบ้างเราก็สามารถเอาสติไปใช้ในทุกๆกิริยานั้นอันนี้ก็คือการใช้สติต้องฝึกใช้ต้องฝึกใช้ไม่ใช่ถ้าไม่ฝึกใช้จะไม่ทำงานและเราก็จะตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์อยู่สม่ำเสมอ